ลงทุนไปเรียนหนังสือามาไปลงทุนลงแรงไปทำงานลงทุนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอะไรนี้เลี้ยงสร้างครอบครัวมันคือการลงทุนให้กับชีวิตทั้งนั้นเลยเระหวังว่าทำสิ่งเหล่านั้นเราจะมีความสุขมันก็มีความสุขเหมือนกันมันความสุขอย่างโลกความสุขชั่วครั้งชั่วคราวการลงทุนศึกษาธรรมะนี่เป็นการลงทุนระยะยาวนะคุ้มค่าที่สุด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 เราลงทุนลงแรงศึกษาอยู่ช่วงหนึ่งจิตใจของเราเข้าถึงธรรมะดืมด่ำในรถของธรรมะเป็นระยะระยะไปมีความสุขเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสมัยก่อนหลวงพ่อทํางานอยู่ทำเนียบรัฐบาลเดินอยู่ในธทำเนียบเนี่ยมีชื่อเสียงในด้านที่เดินยิ้มกับสายลมและแสงแดดได้นะมีความสุขนะเดินไปทางไหนมีความสุข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 ไปสามกองนี้เผาใจเราให้ร้อนทําให้เราไม่มีความสุขนี่พอจิตใจของเราถูกกิเลสครอบงํานะหาความสงบสุขไม่ได้ดิ้นดิ้นรนไปเรื่อยๆอย่างราคะแทรกอยู่นี่ยนะร้อนนะไม่ใช่ไม่ร้อนอย่างหนุ่มๆจะไปจีบสาวมันร้อนนะหรือสาวมันจะจีบหนุ่มก็ร้อนนะ้ร้อนว่าทำยังไงจะสําเร็จมันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จอะไรเงี้ยนะมันร้อน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 ความทุกไม่ได้อยู่ในดินฟ้าอากาศที่ไหนนะความทุกอยู่ที่จักกายที่ใจเรามีสติรู้ลงมาที่กายรู้ลงมาที่ใจบ่อยๆในที่สุดเราจะเห็นธรรมดาของกายของใจเห็การที่ใจเราเห็นความเป็นธรรมดาของกายของใจเรียกว่ามีนีปัญญาเห็นธรรมดาของกายจะเป็นยังไงธรรมดาของกายมันเป็นทุกข์นะกายมันไม่ได้เป็นสุขเรานั่งแค่สบายไปเดี๋ยวเดียวก็มีความทุกข์บิบคั้นต้องเมื่อยนะ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 เพื่อให้เห็นความจริงเนี่ยพอเรามารู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจกายนี้ทุกร้วนๆนะจิตใจก็ทํางานได้เองไม่ใช่ตัวเราหรอกเราบังคับมันไม่ได้เนทั้งกายทั้งใจนี่เป็นแค่เครื่องอาศัยอยู่ช่วครั้งช่วงคราวทั้งกายทั้งใจนี่ไม่เที่ยงทั้งกายทั้งใจมีความทุกข์บีบพันทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเรากลายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุใจก็เป็นนามธรรมที่ทํางานของมันได้เองเป็นธาตุเหมือนกันเรียกวิญญาณธาตุเป็นธาตุ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 นี่ขั้นแรกที่สุดล่าความเห็นผิดได้ได้เป็นทศัศาบัญน์นี้มาตามรู้กายมาตามรู้ใจต่อไปมาเรียนรู้ความจริงของเขาต่อไปอีกจนยอมรับความจริงใจมันยอมรับนะกายนี้ใจนี้ทุกล้วนล้วน่ะทุกล้วนล้ว น, ว น, วนก็เห็นกายนี้ใจนี้ทุกล้วนลวนมันจะปล่อยวางความยึดถือดังนั้นขั้นแรกล่าความเห็นผิดขั้นสุดท้ายได้ปล่อยวางความยึดถื อ, อขั้นแรกไม่เห็นผิดแล้ะอันที่สองไม่ยึดถือ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 เราสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดว่ามันจะมีคนมีสัตว์มีเรามีเขานะตลอดเวลาที่ลืมตาดูแล้วก็มีคนมีสัตว์มีเรามีเขานะเวลาหูได้ยินเสียงก็นะาสะสมความเห็นผิดว่ามีคนมีสัตว์มีเรามีเขาอีกนะได้ยินเสียงหมาเสียงแมวเสียงคนนะเสียงนกนะเสียงเราพูดเสียงคนอื่นพูดเนี่ยนั่นสะสมอย่างนี้ความจริงสิ่งที่เราหูไปได้ยินจริง ๆ, ๆ แ, แค่คลื่นเสียงสูงสูงต่ําๆเท่านั้นเองะแค่คลื่นเสียงเท่านั้นเอง แต่เราก็ไปสําคัญมั่นหมายว่าคลื่งเสียงนี้แหละคือเสียงคนเสียงสัตว์ต่อไปได้อีกนะเป็นเสียงชมเสียงด่าได้อีกนะพอมีเสียงชมเสียงด่าขึ้นมาใจชักเดือดเดือดนะหรือใจหลงลําพองยินดีขึ้นไปแค่ใจเราสะสมแต่ความรู้ผิดความเข้าใจผิดเวลาเรานั่งคิดสังเกตไหมเราก็คิดว่าเราอย่างงนเราอย่างงี้คิดทั้งวันนะเราอย่างง้นเราอย่างนี้เรคิดอยู่อย่างเงี้ยคิดแต่ว่ามันมีเรา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 แม่แต่ลอดเวลาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เราจะรู้สึกว่ามีสัตว์มีคนและมีตัวตนมีเรามีเขาปสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดอย่างนี้ตลอดนาเวลาในสังสารวัตรเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาภาวนาเนี่ยทันทายที่สติตัวจริงเกิดทันทีที่สติตัวจริงเกิดเนี่ยสติจะระลึกรู้สภาวะธรรมนะระลึกได้เลยว่าสิ่งที่ตามองเห็นนี้แค่รูปแค่สีเท่านั้นเองมันระลึกได้นะมันรู้เลย ตามเมองเห็นแค่รูปแค่สีเท่านั้นหูได้ยินแค่เสียงคลื่นเสียงที่สูงสูงตนะ่ำต่ำมันรู้ว่าจริงๆแค่นั้นเองนะใจมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งนะเช่นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมาเนี่ยสติเราลึกปั๊บลงไปเราจะเห็นว่าความโกรธไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนความโกรธเป็นนามธรรมอันหนึ่งที่แปลปลอมเข้ามาความโกรธไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะความโกรธความโกรธที่ฝุดขึ้นในใจเนี่ยเรามีสติดูเข้าไปสิ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 ไม่รู้จะดิ้นรนสแสวงหาอะไรต่อไปแล้วกระทั่งมรรคนิพพานก็ไม่อยากได้นะเออเพราะว่าไม่มีตัวเราสแล้วเมื่อตัวเราหายไปเนียใจมันจะรู้สึกอย่างนี้ตรงนี้เป็นกลางๆทางของการปฏิบัตินะให้มีสติรู้ลงไปที่ความรู้สึกแปลกปลอมพวกนี้อีกความรู้สึกแปลกปลอมเช่นความเบือ่อความกลัวความรู้สึกเวงวางนั้นจะกระเด็นหายอาไปใจจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นใหม่เป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาอีกทีหนึง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 การทํางานทางใจหรือพบเกิดขึ้นมเมื่อไหร่ในความทุกข์จะเกิดขึ้นมานั้นเลยะมันจะทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยนะอย่างแค่อยากจะฟังคำก็ทุกข์นะไม่ใช่ไม่ทุกข์นะอยากมาสาราลูกชินโนาะมาทันไม่ทันนัดเพื่อนไว้มันก็ช้าชักโมโห อ, อีกนะใจมันเล่าร้อนรถติดกว่าจะเลี้ยวเข้ามาได้ติดหลายรอบอะไรนี่นะแถมจอดไกลอีกจะทันไม่ทันจะได้ที่นั่งตรงไหนเนี่ยมันมีแต่เรื่องทุกข์ทางนั้นเลยกระทั่งคนดีๆก็ทุกข์นะ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 ความชั่วหรือความทุกข์เกิดขึ้นใจก็รู้เหมันไปแล้วก็เป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นจบลงแค่การรู้ไม่ปรุงแต่งต่อใจที่ไม่ปรุงแต่งต่อเนี่ยเป็นใจที่เข้าใกล้มรรคนิพพานนะส่วนใจที่ดิ้นรนปรุงแต่งเนี่ยเป็นใจที่กีดกั้นตัวเองออกจากมรรคนิพพาน <c oughs> ไม่มีใครกีดกันพวกเราออกจากมรรคนิพพานนะใจที่ปรุงแต่งของเราเองนี่แหละกีดกั้นเราไว้จากมรรคนิพพานเพราะนิพพานคือธรรมะที่พ้นจากความปรุงแต่ง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 ละความเห็นผิดว่ามีตัวเราต่อไปก็ดูกายดูใจต่อไปอย่างนี้แหละดูอย่างเดิมนี่แหละแล้วมันพัฒนาไปสู่การหมดความยึดถือเองเพราะมันจะฉลาดมันรู้ว่ายึดเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นยึดเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นอยากเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นพอใจมีความอยากนะใจก็เข้าไปยึดถือเข้าไปดิ้นรนใจเป็นทุกข์จะเห็นอย่างนี้เห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ำแล้วซ้ำอี ก, อ ก, อกจนกระทั่งใจนี้มันดีดตัวไปจากโลกของความปรุงแต่งได้หมดความยึดถือในกายในใจได้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 ไม่ใช่หลวงพ่อไม่สอนสมถะนะนี่พวกเราส่วนใหญ่ทําสมถะมาผิดผิดถึงต้องนั่งแก้สมถะที่พวกเราทําส่วนมากมันคือมิจฉาสมถิเพ่งเอารูปเดียวเพ่งเพ่ ง, เ พ, งเพ่งให้ใจนิ่งๆทือท่อๆเคลิ้มเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวจิตใจที่ลืมเนื้อลืมตัวเคลิ้มเคลิมมันใช้ไม่ได้นะจิตใจที่รู้ตื่นเบิกบานต่างหากเราถึงจะใช้ได้ดังนันเราหัดภาวนาเราสังเกตดูใจเราเบื้องต้น ทำกรรมาฐานสักอันหนึ่งก่อนนี่หลวงพ่อพูดทุกคราวนะไปฟังในซีดีเก่าๆมีทุกแผนนะเบื้องต้นทํนากรรมฐานขึ้นมาสักอันพุโทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้ยกเท้ายั่งเท้าก็ได้รู้อิริยาบถสี่ก็ได้นะทำจังหวะการเคลื่อนไหวมือก็ได้บางคนไม่อยากเคลื่อนไหวมือทั้งมือมันเมื่อยขยับแค่นี้ก็ได้คือมีเครื่องอยู่ขึ้นมาหนึ่งก่อนให้จิตมันมีเครื่องอยู่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 แต่ถ้าเริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าแล้วใจจะแข็งแข็งมันจะอานเข้ามาก็นเริ่มหายใจออกก่อนสบายนะเวลาเรากลุ้มอกกลุ้มใจถอนใจสักเพลกหนึ่งถอนใจนะแต่อย่าถอนตลอดเวลานะเดี๋ยวคนเขาคิกว่าบ้านะอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้เหมือนหมาบ้าหมาหอบแดด น, นะเวลาเรากลุ้มๆนะนี่หายใจอย่างนี้นะเนี่ยรู้สึกไม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 เป็นมีประโยชน์วันใดที่จิตใจเราฟุ้งซ่านเราก็ทําใจให้สบายให้ใจเราสงบนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงพระพุทธเจ้านะกราบพระไปสวดมนต์ไปนึกถึงพระพุทธเจ้าไปในะจิตใจก็สงบแค่นี้ก็ทําได้ละหรือหัดพุทโธไปก็ได้พุทโธเล่นๆ น, นะอย่าไปเขนใจตัวเองไม่ใช่พุทโธให้สงบนะพุทโธพุทโธไปพุทโธให้อย่างเบิกบานใจคิดถึงพุทโธด้วยความเบิกบานใจประเดี๋ยวเดียวก็จะสงบ แต่ถ้าใจมีความสุขใจจะสงบง่ายๆนะกรรมฐานสมาะนี่วันใดที่จิตใจของเราสงบแล้วสบายแล้วแล้วเราก็ทำกรรมฐานอย่างเก่านี้แหละแล้วเราหัดรู้สภาวะตรงนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วนะเป็นการจะหัดให้เกิดสติในชีวิตประจำวันละวันใดที่จิตใจพุ้งซ่านทำสมาะให้สงบตอนไหนสงบแล้วเนี่ยทำสมาะิทำกรรมฐานอย่างเดิมนั่นแหละเช่นพุทโธหายใจไปเงี้ยเราหัดสังเกตใจของเรา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 สติระลึกได้นะความกลัวปุดขึ้นมาละเห็นความกลัวปุดความกลัวจะดับไปเลยเราจะตั้งสติได้ไม่ตกใจวิ่งไปหาหมาบ้าไม่วิ่งนะอืมแล้วก็ไม่ใช่โง่ยืนให้หมาบ้ากัดนะไม่ใช่เออถ้าไม่มีเวรสาวกรรมมีมีเวรมีกรรมกันมันก็ไม่กัดเราหรอกถ้าอาดีตชาติเราเคยกัดมันก็เชิญมากัดเรานะเอ อ, อย่างนี้เรียกว่ากรรมฐานโง่นะไอ้วิธีนี้เขาเอาไว้ใช้เมื่อหนีไม่พ้นแล้วนะ อย่างถูกต้อนไปจนมุมแล้วเออสือจะกินแล้วเ อ, อถ้ามีเวรมีกรรมกันก็เชิญกินเถอะเนี่ยคิดอย่างนี้เราจะได้สบายใจยอมตายอย่างสบายใจนะไม่ใช่เห็นม า, าวิ่งมาแล้วแต่เวรแต่กรรมไปกวางหน้ามันนะอย่างนี้กรรมาฐานโง่นะต้องรู้จัก ร, รักษาตัวเองให้ได้นะมีปัญญารักษาตัวเองให้พ้นภัยให้ได้หลบหลีกคนะรูบาอาจารย์ก็หลบหลีกนะไม่ใช่ไม่หลบหลีกเราชอบไปอ่านประวัติครูบาอาจารย์ที่แต่งทีหลังอ่ะ มันจะมีปาฏิหาริ์มากมายเลยอย่างบอกว่าหลวงปู่ฟัน้นพาท่านอาจารย์สมชายตอนนั้นยังบวชใหม่ๆพาออกทุดงไปไป ก, กลางกรดอยู่ในป่าพอช้างป่ามาเนี่ยท่าอาจารย์ฟั้นก็แผลพลังช้างวิ่งหนีไปหมดเลยอานะจารย์สมชายท่านไม่ได้เล่าอย่างนั้นเลยอาจารย์สมชายบอกพอช้างมานะหลวงปู่ฟั้นท่านรู้ก่อนแล้วว่าช้างจะมาเพาท่านชนานาญป่าแต่ท่านพานหนีนะ นีขึ้นโขดหินไปขึ้นเขาไปนะก็อยู่บนที่สูงๆแล้วก็ดวนช้างมันเหนี่ยวไม่ถึงแล้วตรงนี้ก็นั่งดูวดช้างมาแล้วช้างไม่ยอมไปสติช้างเวียนอยู่ตรงนั้นอ่ะถ้านเอานกหวีดไม้ไผ่ขึ้นมา เ, าเป่าเป่าปี้ดเนี่ยช้างตกใจช้างวิ่งหนีไม่ใช่แพ้พลังแล้วช้างหนีนะช้างตกใจเสียงประหลาดตลาดแล้วหนีเราชอบคิดอะไรให้ปฏิหารนะชาวพุทธอย่ามันมีนะปฏิหารน่ะแต่อย่าให้ปฏิหารครอบใจเรา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 แม้เราจะมีสติมีปัญญารักษาตัวเองอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยตามองเห็นรูปรู้สึกเลยใจยินดียินไล่ขึ้นมารู้ทันหูได้ยินเสียงใจมันยินดียินไล่ขึ้นมารู้ทันใจมันคิดเยเกิดความยินดียินไล่ขึ้นมารู้ทันคอยรู้ทันใจของเราเรื่อยเรื่รู้มากเข้ามากเข้าต่อไปปัญญามันจะเกิดที่จะเห็นเลยว่าความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยของปลอม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 หลังจากนั้นเกอได้ใจไปอุเบกขาแต่อุเบกขาท่านก็มีความสุขเยอะนะพียงแต่ว่าธาตุขันธ์ของท่านนี่รองรับความสุขนี้ได้สบายละทีแรกหมาความสุขนั้นมันรุนแรงอยู่ตั้งปีปกว่าหนึส่สิเป็นพวกเรามีความสุขประเดี๋ยวประดาวใช่ไหมมีความสุขไม่กี่วินาทีเช่นเปียแชร์ได้มีความสุขในขนาดเปียแชร์เห็นไหมเปียได้ผู้ดีใจนะเดี๋ยวความทุกข์ตามมาอีกเป็นปีเลยเห็นไหมไม่เหมือนกรรมฐานนะ มีความสุขแล้วมีความสุขอยู่นานสุขอยู่เป็นปีๆถัดจากนั้นใจเข้าไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขไม่สุขแบบรุนแรงแล้วคราวนี้ร่มเย็นเป็นสุขอยู่ด้วยความร่มเย็นไปเจอท่านทีไรท่านก็บอกว่าสุขแท้นอสุขแท้เนาะนะสอนอย่างนี้นะบอกว่าเมื่อเราบวชทีแรกเราไม่นึกเลยว่ามันจะมีความสุขได้ขนาดนี้บวชมาภาวนามามันสุขแท้นาสุขแท้นาะนะเจอทีไรบวชแต่ว่ามีความสุขนะ ของพวกเราอะเจอพระแล้วบนว่าอะไรลูกเด้อสามีเจ้าชู้เนะห็นไหมัวหน้าเฮงซวยนะไม่เห็นสุขแท้นอเลยนะมีแต่สุขกอไก่นะงั้นต้องลงทุนนะลงทุนให้ชีวิตของเราเองเพื่อชีวิตที่จะดีขึ้นดีขึ้นถ้าเราไม่ลงทุนเราปล่อยให้กิเลสลากเราทูลู่ทู ก, กังไปเรื่อยๆเราก็จะทุ ก, กข์มากขึ้นมากขึ้นจิตใจของเราถ้าหักภาวนาไปช่วงหนึ่งเราจะรู้สึก จะมีก้อนในห น, น้าอกเนี่ยช่วงไหนจิตใจเราทําบาปหยาบช้ามานะ่ะก้อนนี้หนักนะก้อนนี้ใหญ่แล้วก็หนักมากด้วยถ้าช่วงไหนจิตใจเราปลอดโปร่งลง่งเบาจิตเป็นกุศลก้อนนี้ค่อยสลายตัวรู้สึกไหมเบาสลายไปก้อนนี้หนักหนักมากมากเนี่ยนะภูมิมนุษย์รองรับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจิตใจที่ชั่วร้ายมากๆก้อนนี้จะหนักมากขณะที่ตายไปนั้นมันจะถูกทวงให้ต่ําลงไปต่ําลงไป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 26 27, 27่7ิบหเจ็ดเลยยิบเจ็น่ะประมาณนั้นนะหลงพูดดูไม่อยู่ละหากดูใจไปเรื่อยๆไม่ผ่านสักทีนะไปเจออาจารย์มหาบัวไปหาท่านที่บ้านตาดตอนนั้นท่านยังสอนประแดงคมฉันข้างบนนะศาลาไม้ฉันข้างบนคนก็ยังไม่มากนักหรอกขึ้นไปถึงก็ไปข้างหลังท่านนะท่านนั่งพิงเสาอยู่เดีย๋ยวฉันข้าวท่านอาจารย์ครับขอโอกาส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 แต่ยังดีว่าอีกพวกหนึ่งในะพวกหนึ่งดูแล้วหลุดเข้า อ, อยู่ข้างในเท่งลึกๆเข้าข้างในไปเรื่อยๆหลวงพ่อก็เคยผิดนะเข้าข้างในตอนที่เข้าข้างในไปเนี่ยไปเจอหลวงปู่สิมเขาหลวงปู่ศิมท่านฝักมือผู้รู้ผู้รู้นี่ออกมานอกๆ น, น, นี่ออกานอกๆนี่แล้วเอ๊ะทําไมให้ออกมานอกๆครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าส่งนอกเนี่ยใช่ไหมเราก็ส่งเข้าข้างในความจริงครูบาอาจารย์ไม่ได้บอกให้ส่งในท่านบอกอย่าส่งนอกคืออย่าหลงออกไป อย่หลงออกไปให้รู้กายรู้ใจตัวเองไว้ไม่ส่งนอกก็คือให้รู้สึกตัวรู้กายรู้ใจเราก็นึกว่าต้องส่งเข้าข้างไหนแล้วเอาเข้าไปไว้ข้างไหนไปเจอหลวงปู่สิมท่านบอกให้ออกมานอกๆ น, กนี่กิเลสอยู่นอกๆ น, กนี่ตาหูจมูกลิ้นกายใ จ, ใจกระทบอารมณ์นี่กิเลสจะได้โผล่มาให้เราดูไปหลบอยู่ข้างในแล้วจะไปดูอะไรไม่มีอะไรให้ดูมีแต่ความนิ่งความว่างนี่พาออกมาอยู่ตรงนี้นะเสร็จแล้วเป็นเจอหลวงปู่เทสอีก อกว่าหลวปู่สิมบอกให้ออกมานอกๆหลวงปู่เทศน์อธิบายบมันเป็นกลางนั่นเองไม่ส่งนอกไม่ส่งในคือเป็นกลางกลา ง, ลางกลางกลางกลางกลางแล้วก็จงใจประคองไว้ตรงกลางเห็นไหมหาเรื่องทําจนได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ที่ผิดๆนะหลวงข้อผิดมาเยอะแล้วนะประคองไว้ตรงกลางประคองไว้ใจก็ ย, งงย่างง้นอย่างนี้เดี๋ยวเกาะเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวยังง้นยังงี้ก็ใช้ไม่ค่อยได้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 ดูจิตนะหัดดูเข้าไปเลยแล้วก็ค่อยสังเกตเอาใจไม่ตั้งมั่นค่อยร่วเเนี่ยมันค่อยเกิดสมาธิขึ้นมาเสร็จ แ, แล้วเราจะทําสมาธิก็ทําได้ทำไม่ยากจําเป็นนะศีลสมาธิปัญญาศีลก็จำเป็นคนไม่มีศีลเนี่ยใจฟุ้งซ่านใจฟุ้งซ่านไม่เกิดปัญญาจําเป็นอะเชิญโยมเชิญคุยเชิญคุยไม่ต้องถามก็ได้นะหลวงพ่อไม่ว่าเรก ถ้าใครจะถามก็อย่าถามยาวนะถามคนเดียวห้านาทีนะโทสะดีกรีของโทสะในห้องนี้กำลังเพิ่มขึ้นต้นองระวังนะเพราะพวกเราเกินมากยังมีกิเลสอยู่อใครคุยยาวอยู่คนเดียวนะเพื่อนชัดเดือดขุดปุ ด, ปดแล้วพยายามดูนะพยายามวางฟอร์มถ้าเป็ที่อื่นด่าไปแล้วนะเชิญเชิญ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 ตัวนี้ต่างหาหละที่มีปัญหาเราไปตั้งตัวนี้ไว้นิ่งๆแล้วรู้สึกไหมตัวอื่นเคลื่อนไหวมีนิ่งอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้โยนทิ้งซะอย่าไปกดอย่าไปกดเัิดให้นิ่งอ๋อครับครัคือเข้าใจเลยค่ะคือดิฉันมีความรู้สึกเหมือนว่ามีตัวนิ่งอยู่หนึ่งตัวนั่นแหละตัวนั่นแหะแต่มันไม่นิ่งเหมือนกับจิตละวันวันไหวไหวตัวนี้วันไหวแต่ตัวนี้มันนิ่งอยู่ตัวแล้วไม่ไม่ต้องทำนิ่งใช่ไหมเจ้าก็อย่าไปแกล้งนิ่ง นะถ้าตัวนี้แกล้งนิ่งสังเกตไหมตัวนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวนี้เที่ยงตัวนี้เป็นสุขตัวนี้เป็นอัต์ตานะมันล้าได้ไม่หมดถ้าจะมืน่มนๆใช่ไหมจ๊ะถ้า<ช>สมมุติว่าเราทําให้มันทีทมน่มันๆอย่างไรที่มึนๆเนี่ยจิตมันมีโมหแนะแทรกด้วยจิต<ช>มันมีโมหะแต่อย่าไปกดไปตัวนี้ปล่อยซะแต่ต้องถือศีลนะก็ปล่อยแล้วร้ายกว่าเก่านะตัวที่เรากดเอาไว้เนี่ยขอบพระคุณจ้ะนะ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 จิตต้องตื่นก่อนนี่หลายคนเลยใช้วิธีไปขอเป็นการพิสูจน์กันนะว่าตื่นไม่ตื่นเนี่ยเป็นเป็นวิธีเจ้าเล่ไม่ได้อยากอยู่จริงนะแต่ท้ากับเพื่อนว่าตื่นไม่ตื่นแต่ตอนนี้หลภาพปิดไว้พอเปิดเดือนเดียวเนี้ยจองเต็มไปครึ่งปีแล้วเดี๋ยวให้เดือนมิถุนาถึงจะเปิดใหม่เนี่ยพ่อไปจองเหรให้จองที่ไหนครับฮะที่หลวงพ่อสิ ไม่ไม่จองทางไปสนีทางโทรศัพท์นะอทางอินเทอร์เน็ตอะไรอินเทอร์เน็ตอยากจองก็จองไปผมก็ไม่มีจิตาจเราก็ไปไหนก็ไม่รู้นะเดือนเมษายนมาถามทีใช่ไหยครับก็เดือนมิถุนาไปขออนุญาตครับแล้วตอนนี้กิตเตะอย่าครับอะไรนะแล้วตอนนี้กี่ของผมเตะเนีอยครับเพราะว่าผมนนี้ผมถ้าไปขอก็จะให้ครับครับ กราบนมัสการท่านหลงพ่อค่ะหนูพยายามดูจิตอยู่ค่ะแต่ไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าค่ะเห็นกิเลสไหมเห็นกิเลสบ่อยไหมเห็นค่ะแต่ว่าบางครั้งค่ะเนี่ยตอนนี้ตื่นเต้นรู้สึกไหมรู้สึกเออเนี่ยตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นนะรู้ลงไปใจไม่ตั้งมั่นดูออกไหมค่ะใจใส่ไปใส่มาดูออกไหมค่ะถ้าหัดดูไปอย่างเนี้ยหัดดูลงปัจจุบันไปเรื่อยเรยรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันไปอย่าให้เกินกายเกินใจของเราออกไป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 เวลาเราคิดถึงการทำกรรมฐานเราชอบไปสร้างจิตของโฟมขึ้นมาจิตอย่างเงี้ยนะจิตของโฟมนั้นไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะและ้วก็ไป ซ, ซื่อซื่อซื่อซื่อบื้ออยู่ข้างในอย่างนั้นเองเราได้ทิ้งของที่ดีที่สุดนะไปเอาของที่รองรองเอาเพราะฉะนั้นเป็นมนุษย์ใช้จิตธรรมดานี่แหละแล้วเรียนรู้มันไปนะของคุณสังเกตไหมใจมันอยากพูดเครือกขึ้นมาเ ม, มื่อกี้ไหลวับนะเรามีสติรู้ทันรู้ไปเรื่อย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 ตั้งใจรอดูเราว่าเมื่อไหร่จะอะไรจะโปล่ตั้งใจรอดูยเงี้ยใจจะทื่อๆขึ้นมาหรือบางทีใจเราแอบไปคิดพอเรารู้ว่าใจหนีไปคิดแล้วไปดึงคืนมาใจก็จะทื่อๆขึ้นมานะอาการนี้เป็นอาการของคนดีนะอาการของคนรักดีทุกแบบคนดีหลวงพ่อก็เป็นแต่ก่อนเนี้ยเป็นอยู่สามเดือนนะตีไอ้ก้อนเนี้ยสู้กันสามเดือนถึงรู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นวิบากมันเป็นวิบาก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 การในวัตการของพ่อนะครับตอนนี้ได้ดูความตื่นเต้นตัวเองเธอดีดีดคือปฏิบัติมาสักพักนึงรู้สึกว่าจิตใจมันไม่ค่อยแบบสดใสมันมันมองมอ ง, มองยังไงไม่ทราบฮะคือถ้าปฏิบัติแล้วเห็นเราใจหมองนะอย่าอยากใจใส น, นะอย่าอยากของใสถ้าใจเราหมองให้รู้ว่าใจมันหมองให้นั่งดูไปเมื่อเห็นคนอื่นหมองอนะ่ะดูไปเรื่อยๆดูซิเธอจะมองนานแค่ไหน คุณสังเกตไหมความมองไม่เท่ากันมองมากหมองน้อยเนี่ยเขาอุตสาห์มองเนี่ยอุตสาแสดงอันนี้จังให้ดูเลยมองมากหมองน้อยไม่เท่ากันอย่างตอนนี้หมองน้อยแล้วรู้สึกไหมครับผมตอนนี้หมองน้อยลงเราก็รู้ไปใจอยากพูดขึ้นมาเห็นไหมมีแรงดันเราก็รู้ทันหัดรู้ไปเรื่อยเรื่รู้สึกไหมพอเรารู้ทันว่ามันมีแรงดันใจเราก็สว่างขึ้นมาเนื้อเมื่อไรใจสติเราไปรู้สภาวะโลกปัจจุบันนะ จิตเราจะตื่นขึ้นมารู้ตื่นเบิกบานสงบสะ า, าสว่างขึ้นนะ่ะตอนนี้หนีไปคิดทราบไหมแอบไปคิดให้รู้ลงปัจจุบันอย่างนี้นะถ้ารู้ลงปัจจุบันก็ไม่มีคําถามแล้วนะอืมจริงๆพราะอละการปฏิบัติมีเท่านั้นเองให้รู้ลงปัจจุบันให้ได้เแต่อย่าไปเพ่งนะอย่าไปเพ่งอย่าไปเผลอถ้าเผลอก็ไม่รู้อะไรเลยถ้าเพ่งก็ไม่รู้มันนิ่งๆผิดความเป็นจริง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 เราหัดทีแรกยากแทบตายเลยรู้สึกเดินสบายกว่าแต่พอเราขับรถเป็นแล้วรู้สึกไหมขับรถแล้วสบายกว่าเดินยกเว้นขึ้นปูกระดึงน ะ, ะถ้าไปไหนละอั น, นมนสรสการหลวงพ่อค่ะที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าพิจารณากายเนี่ยกายโอเหมือนก้อนธาตุแต่เวลาบางทีที่หนูดูกายก็คือปกติก็คือดูแล้วว่าละมันเคลื่อนไหว แต่มันจะมีบางช่วงที่บางทีเราหัวเรอแล้วหนูเกิดไปเห็นที่เราเราหัวเรอ <Okay. S 2> แต่หนูไม่ได้นึกว่ามันเป็นก้อนธาตุแต่หนูกลับรู้สึกว่าที่หัวเรอก็คือเราที่เห็นก็คือเรา <Okay. S 2> หนูจะถามหลวงพ่อว่าก็ดูไปอย่างนี้แล้วสักวันหนึ่งจิตมันจะบอกเองใช่ไหมคะคือเราไม่ต้องไปบอกจิตมันก่อนว่าเนี่ยคือก้อนธาตุช่ไหไม่ต้องบอก มันจ ะ, มจะบอกนามันถ้าสติัญญาเกิดเน ไ, ได้เห็นเองแต่ว่าการดูรูปที่เคลื่อนไหวดูยากนิดนึงนะรูปที่เคลื่อนไหวอาการเคลื่อนไหวอาการเคลื่อนไหวเป็นรูปชนิดหนึ่งเรียกวิญญาติรูปเขาถือว่าเป็นรูปไม่แทะอาการเคลื่อนไหวเนี่ยเอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้จริงตัวรูปแทะวันนี้พูดอย่างนี้ฟังยากนะรูปมีรูปมีแท้รูปไม่แทะ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 จะเห็นรู้สึกอาการที่ไหวๆไม่มีอะไรแต่ถ้ารูปที่เคลื่อนไหวเนี่ยเราจะรู้สึกรู้สึกว่ามันเป็นตัวเราใช่ไ้มตอนเนี้ยรู้สึกเป็นตัวเราให้อย่างเวลาเราหัวเราะเนี่ยอาปากงับงับงัอยู่หัวเราะอยู่เนี่ยสติเกิดระลึกเนี่ยสติไปเห็นเนียตัวที่กําลังขยับอย่างนี้ดูไปอย่างเนี้ยเห็นวัตถุเราไม่ได้เห็นอาการมาหรอกเราเห็นวัตถุเห็นก้อนธาตุที่อยู่ในอาการอย่างนี้เราเห็นตัววัตถุ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 อย่างหัวเราะตรงที่รู้ว่ารูปหัวเราะเนี่ยมันเห็นอยู่แวบหนึ่งแต่มันสั้นมากจนเรายัางจับสภาวะตรงนี้ไม่เป็นนะถัดจากนั้นเนี่ยความคิดมันเกิดขึ้นมาว่าเอ้ยเราหัวเราะความคิดมันเกิดขึ้นมามันก็รู้สึกว่ามีเราหัวเราะขึ้นมามันยังไม่สามารถแยกสภาวะตรงที่สติระลึกรู้รูปจริงๆออกมาได้ต้องเห็นบ่อยๆต่อไปจิตจะจับสภาวะตรงที่สติระลึกรูปได้จะเห็นว่ารูปนั้นไม่ใช่ตัวเรา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 แต่ว่ามันเห็นเป็นลําดับลําดับไปนะอย่างตอนเนี้เผลอแล้วรู้ไหมเออตอนไหว้หลวงพ่อแล้วเผลอเวลาไหว้หลวงพ่อแล้วเผลอมันลืมไป okay. นัตการนมัตการหลวงพ่อครับเออเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยบอกว่าผมเท่งมากเกินไปตอนที่อยู่กาญจนบุรีนะครับแล้วก็เ อ, อระยะระยะหลังเนี่ยผมก็ทิ้งวิธีการกําหนดแบบเก่า พยายามจะเพิ่มดูจิตแต่ว่าตอ น, นเช้ากับตอนคืนก็ใช้วิธีนั่งสมาธิอยู่ยังไม่ทิ้งอ่ะนะไม่ทิ้งสมาธิแล้ววันนี้หลวงพ่อได้พูดบรรยายตอนตอนท้ายๆเกี่ยวกับเรื่องการ อ, อ, อย่าทิ้งสมาธิจุดนี้นะครับอยากได้หลวงพ่อบอกแนะนําอีกทีหนึ่งว่าเราควรจะแบ่งอย่างไงที่ว่าเป็นการเพ่งหรือเป็นการนั่งสมาธิครับคืออันแรกสุดเราต้องเรียนก่อนเราต้องเรียนลักษณะของจิตใจก่อน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 ครฝึกอย่างนี้นทุกวันทําในรูปแบบนะมันจะได้สมรถะขึ้นมาด้วยนั้นการทําในรูปแบบเราจะทําเพื่อสองงานอันนึงทําเพื่อถ้าจิตเราไม่ไม่สงบฟุ้งซ่านมากทําสมถะให้ใจตั้งมั่นอันที่สองถ้าใจเราสงบตั้งมั่นแล้วเราทําตามรูปแบบเพื่อหัดดูสภาวะเพื่อหัดดูสภาวะถ้า ด, ดูสภาวะจําสภาวะได้แม่นแล้วสติจะเกิดในชีวิตประจําวัน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 ไม่ใช่ท่องสัพเพสัตตานะสัพเพสัตตาตายเสียได้ก็ดีอะไรย่างี้ไม่ใช่นะอยู่ที่ใจเราเป็นมิตรไหมหรืออย่างหลวงปู่เทศก็เคยสอนใจเราฟุ้งซ่านมากเลยเนะี่ยอยู่ในชีวิตทํางาน อ, อะไรวุ่นวายใจมากนะท่านบอกหลับตานี่หนึ่งกลั้นลมหายใจกลั้นนิดหนึ่งเนี่ยกลั้นหลวพ่อทำหน้านะกลั้นจริงๆไม่ต้องทําแบบนี้นะเดี๋ยวคนอื่นตกใจพวกเราดูจิตไม่เป็นเลยพ่อต้องทําหน้าให้ดูนะ เสร็จแล้วเราก็รู้ไปที่ความรู้สึกนิ่งๆใจมันจะสงบอยู่นิดหนึ่งอถอยออกมานะมันได้พักนิดหนึ่งแล้วหรือถ้าเราดูจิตชํานาญเนี่ยเราดูไปจิตใจเราฟุ้งซ่านเราจับไปที่ความว่างๆในใจเกลียงช่องว่างในใจนี่ก็ได้สมถะแล้วสมถะเนี่ยไม่ใช่ว่าทํามาหลักล้งหรอกนะในรายวันเราก็ทําพักก่อนเป็นระยะระยะไปได้มีประโยชน์นะมีประโยชน์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 เอ้ ain, มีแต่เคลิ้มเคลิมแฮะไม่ใช่มีคนปฏิบัติเนี่ยไม่ได้มีคนเจริญสตินั่งเอาเคลิมพอเช้าขึ้นมาเข้าไปกราบหลวงปู่ตอนเช้าหลวงปู่แล้วก็ยิ้มยิมเปืย์เปรย์วัดนี้ไม่มีคนปฏิบัติแล้วอย่างเงี้ยคนที่ฟังก็จะงงงงเอ้ ain, นั่งสมาธิกันเป็นร้อยคนนะหลวงปู่บอกวัดนี้ไม่มีคนปฏิบัติแล้วจริงๆไม่มีคนเจริญสตินะั้น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 ฝึกจนกระทั่งใจมันพ้นนะใจมันพ้นกิเลสมันไม่มายอมใจไม่ใช่ไม่มีกิเลสนะกิเลสมันย้อมใจไม่ติดเลยความปรุงแต่งใดๆย้อมใจไม่ติดฝึกแปะหลวงพ่อครับไหนๆอ๋อครับก็เคยเคยถูกหลวงพ่อทักว่าประคองไว้ครับหล<น>ังจากนั้นผมว่าผมก็เลิกประคองครับก็ปล่อยปล่อยปล่อยใจไปไ ป, ไปตามธรรมชาตินะครับ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 ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาเป็นเครื่องมือทั้งหมดเลยนะเพราะงั้นเราก็เลือกดูเวลานี้เจริญสติไม่ไหวกําลังจะเชิดค อ, อหอยเข้าอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ต้องถือศีลไว้ก่อนแต่ว่าย่อหย่อนหรือไม่ย่อหย่อนดะูนะอย่าทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบนะทําสมาธิเดินจงกรมไหว้พระสวดมนต์อะไรนี้ต้องทำไปเรื่อยๆนะมีวินัยในตัวเองนะผู้ปฏิบัติต้องมีวินัยนะมีความตั้งใจมั่นถ้าตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติแนละ้วต้องทํา อย่างแต่ละวันตั้งใจว่าต้องนั่งสมาธิเดินโจงกลมนะ5นาที10นาทีอะไรต้องทํำจิตใจให้จะได้เด็ดเดี่ยวแล้วก็ถ้าเราแบบเอาละฉันจะดูอย่างเดียวไม่มีรูปแบบนะสักพักหนึ่งกี่เลสมันจะหลอกเราจะขี้เกียจ ด, ดูแว บ, บๆแล้วหนีไปนานดูแว บ, บๆแล้วหนีไปนานอย่างนี้ย่อหย่อนนะค่อยสังเกตที่ใจเราว่าย่อหย่อนไม่หย่อนถ้าเรารักษาข้อวัดไว้แล้วมันเป็นรั้วกั้นเรา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 เป็นความเคยเป็นทุกคนแหละบางคนเคยฝึกรู้ลมหายใจนะพอรู้ว่าน้นอันนี้ไปแล้วเสร็จแล้วก็วกเข้าหาลมธรรมดาค่อรู้เอารู้ทันใจไหลไปตามความเคยชินครูบาอาจารย์ท่านเคยเทียบนะว่าจิตนี่เหมือนวัวเหมือนควายท่านเป็นคนชาวบ้านนอกนะทําไร่ทํานาเทียบอะไรท่านก็ไม่ค่อยพ้นวัวพ้นควายหรอกท่านก็บอกว่าจิตเหมือนวัวเหมือนควายเคยเข้าคลอกทุกวันนะวันนี้ไม่ทันจะต้อนเลยก็เข้าเองนละ้ มอีกองนะท่านเปรียบแปลกหลวงตาน้อยอยู่ภูสิงท่านไก่บนให้หลวงพ่อฟังลูกศิษย์ท่านนี่นะแปลกที่อื่นนะควายต้องเดินไปหาหญ้ากินนี่หญ้ามาถึงปากควายแล้วควายยังไม่ยอมกินเลยนะคึอ <c oughs> ครูบาอาจารย์มาถึงที่แล้วนะยังไม่ค่อยภาวนาท่านจับเทียบหัวเทียบควายเชิญเชิญหมดย่างกา ร, รการนมัสการหลวงพ่อค่ะ จะเรียนถามว่าเวลามีคนโมโหใส่เราอ่ะค่ะแล้วเราฟังเขาเออก็ดูจิตตัวเองไปดูจิตเขาไปเนี้ยค่ะแต่ก็ไม่รู้สึกโมโหกลับแต่ว่ารู้สึกเปรียบเทียบจิตเรากับจิตเขาเนี้ยค่ะก็ได้สมถะรู้สึกไหมเปรียบไปเปรียบมาจิตเขาโม โ, มโหดูน่านเกลียดไม่ดีจิตเราดีเนี่ยใชนะ่มันมีเรามีเขาอยู่อ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 หนาะทีเราเห็นว่าเผลอไปคิดได้สักสิครั้งอะไรก็เก่งแล้วละ่นะแต่ต่อไปจะเห็นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะว่าไหวแวบบแวบบแวบบตลอดเวลามีแนตะ่ไหววบวบแวบตลอดเป็นปกตินะแต่พอจิตมันไหวแวบบแวบบแวบบแล้วอย่าตกใจแล้วก็ไม่ต้องพยายามรู้ให้ชัดนะถ้าพยายามรู้ทุกกานให้ชัดจิตจะฟุง้งซ่านแล้วก็เหนื่อยและเราเครียดด้วยนะให้ดูภาพรวมว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่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 คิดมากจะยากนานนะคะก็พยายามดูจิตไปจากตรงนั้นนะคะแล้วก็อ่าก็คิดว่าเวลาเวลาจิตคิดก็เผลออ่อก็รู้ว่าเผลอเนี้ยค่ะแต่อยาแต่อยากจะถามหลวงพ่อว่าอ่าจะทำยังไงให้เห็นความว่าเวลาเรารู้แล้วเรารู้อย่างเป็นกลางอะคะ <c oughs> ่ะเพราะว่าจะปรุงให้รู้สภาวะนะว่าใจเราเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางต้องต้องรู้มันนะไม่ใช่ไปทาให้เป็นกลางนะ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 ตอนนี้คิดมากยากน้อยไอ้คิดน้อยอยากน้อยนะคิดให้น้อยน้อยนะรู้ให้เยอะๆยอะอ่ะพอหรือยังเหนื่อยแล้วไหนไหนอยู่ไหนอ่ะกับนมัส ก, การพอครับเมื่อขณะที่เริ่มเริ่มจะรู้สึกว่าจิตเนี่ยมันขยับจะไปรู้อะไรเนี่ยฮะความคิดตอนนั้นมันจะ หายไปเฉยๆเลยเช่สุดทีนี้เรามีความรู้สึกว่ามันมีไอ้ตัวหนึงที่เมื่อกี้หลวงพ่อได้เรียนได้ได้ถามได้ได้ตอบเนี่ยนะฮะว่ามันนิ่งๆเฉยๆอยู่นะครับแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ให้ทิ้งมันไปตัวนี้ไม่หลวงพ่อบอกนะสําหรับคุณคนนี้นะครับอแต่พอดีอคล้ายๆกับกรณีของ้องคุณยังไม่มต้องทิ้งครับองไม่ต้องเอาไม่ก่อนแล้วตอนนี้ที่ทําอยู่เป็นยังไงนะครับ แต่ค่อนข้างตื่นเต้นเออตื่นเต้นที่ปฏิบัติอยู่ใช้ได้ใช้ได้ดูเรื่อยๆครับตอนนี้ตื่นเต้นมันเกินจริงครับใช่ไปคิดแล้วรู้ไหมครับให้รู้ทันลงปัจจุบันไปได้ขอบคุณครับจะบังคับตัวเองนะตรงเนี้บังคับตัวเองไม่ไม่ต้องตื่นเต้นแล้วแต่ว่าวกกลับไปบังคับไว้ปล่อยทิ้งซะตรงเนี้ยไปจ้องให้มันทื่อๆ อย่าไปจ้องใส่มันแรง